ังวรสูตรที่กล่าวถึงเรื่องของการละอาสวะโดยปริยายต่างๆนะโดยเหตุกะต่างๆซึ่งในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงกล่าวไว้เจ็ในัยยะด้วยกันนะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงว่าการสิ้นอาสวะนั้นจะมีได้สำหรับผู้ที่ รู้อยู่ผู้ที่เห็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยจึงจะละอาสวะได้ถามว่ารู้เห็นอะไรจึงจะละอาสวะได้รู้เห็นว่าอะไรเป็นโยนิโสอะไรเป็นอะโยนิโสซึ่งข้อความส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> ในอัตถกาถาท่านเอาเรื่องอริยสัจมาอธิบายซึ่งในเรื่องของอริยสัจนั้นจะได้กล่าวต่อไปว่าตรงที่ว่าด้วยอาสวะที่ละได้ด้วยการด้วยการเห็นเนี่ยนะด้วยทัศนะเนี่ย ซึ่งตรงนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจอีกครั้งหนึ่งนะในหัวข้อสูตรหลักว่าภิกษุทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีาคาว่าทัศนะในที่นี้หมายถึงโสดาปฏิมักนะอาสะวะบางอย่างต้องได้โซดาปฏิมักแล้วจึงจักละได้อาสะวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยสังวรก็มีเห็นไ อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีใช้สอยในที่นี้ก็คือการซ่องเสพนั่นเองอาสวะทั้งหลายที่ต้องละได้ด้วยการอดกลั้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละได้ด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละได้ด้วยการเจริญก็มีจะเห็นอุบายวิธีการละอาสวะโดยปริยายต่างๆทั้งเจนัยยะด้วยกัน นะสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการละอาสวะกว้างที่สุดนนในฉักการีบาศก็มีแค่หกอย่างในที่อื่นๆก็มีน้อยกว่านั้นในสูตรนี้กว้างถ้าจําสูตรนี้สูตรเดียวไปใช้ที่อื่นได้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้น <S <s <ut ters> ข้อความที่ว่าอาสวะที่ต้องละด้วยทัศน์นี้เป็นอย่างไร <c oughs> คือปุตุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ อ, อัสศตวาคือผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้พบเห็นพระอริยเจ้าอัทส า, าวีไม่เห็นว่า ง, งั้นเถอะไม่ได้เห็นพระอริยะเลยแล้วก็อะโกวิโตว่า ง, งั้นไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะแล้วก็อาวินิโตไม่มีวินัยของพระอริยะตรงนี้ก็บอกว่าไม่ได้รับคําแนะ น, นําคําแนะนําตรงนี้นี่อาวินิโตหมายถึงไม่มีวินัยของพระอริยะแล้วก็ไม่ได้พบสัตว์บุรุษทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมะของศัตว์บุรุษทั้งหลายและก็ไม่ได้รับคําแนะนําคือไม่มีวินัยของศัตว์บุรุษทั้งหลายก็ไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมานสิการอา์อะไรควรคิดก็ไม่รู้เหมือนนเลยควรมานสิการควรใส่ใจก็ไม่รู้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมานสิการ์นะควรใส่ใจควรตรึกควรเพ่งก็ไม่รู้นะว่าเออนี่ไม่ควรเพ่งไม่ควรตรึกนะ เมื่อเขาไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเรียวกว่าไม่รู้ดำรู้ขาวรู้ดีรู้ชั่วเลยนะย่อมไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการพูดการถึงการเดินทางเนี่ยนะมีทางสองแพ่งใช่ไหมสองแยกเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเนี่ยไปตรงไม่ได้มีสองแยกอย่างเงี้ยเขบอกว่า เส้นหนึ่งมันไปผิดใช่ั้ยอีกเส้นหนึ่งไปถูกอย่างยทีนี้เพราะความไม่รู้เนี่ยนะถ้าถ้าเป็นถนนนะยังพอเดาไปได้นะถ้าอุปมาว่าเป็นถนนยังพอเดาไปได้แต่อันนี้หมายถึงว่าผู้ที่ไปผิดทางอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้สดกบไม่เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยไม่ได้รับการฝึกในธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะเป็นในลักษณะนั้น ก็ไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจตรงกันข้ามกับพระอริยะหมดเลยเหหมพระอริยะท่านคิดอย่างนี้ของเราไปคิดอีกอย่างนะพระอริยะคิดอีกอย่างหนึ่งเราก็ไปคิดอีกอย่างนึงซึ่งมันตรงกันข้ามตรับกันหมดเลยอันนี้คือความเป็นปุถุชนซึ่งข้อความในอัตถกาธมูลปริยัยสูตรกล่าวถึง ความหมายของคำว่าปุทุชนเนี่ยนะว่าคำว่าปุตุชนนี้มีความหมายว่าอย่างไรเป็นยังไงนะเสียงไม่ปกตินะเอาให้มันได้สระดับนึ่งอาว่าคาว่าอสุตตวาปุตุชโนโอเนี่ยนะคือปุทุชนผู้ไม่ได้สะดับมารองมาเรียนคำว่าปุตุชนนะว่าคำว่าปุทุชนนี้มีความหมายขอบเขตกว้างขวางอย่างไร ปุทุชนเชื่อว่ายายะเพราะไม่มีอาคมเชื่อว่าอสุตวาเพราะไม่มีอธิคมคือคือไม่รู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งน่นนะอ่าเพราะเขาไม่มีอาคมอาคมนี่แปลว่าอะไรไม่มีปริยัตไม่มีอธิคมก็คือไม่มีมรรคผลอันปุตุชนเนี่ยลักษณะของเขาก็คือไม่รู้สิ่งที่ควรรู้เนี่ยนะแล้วก็ ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดอะไรอธิบายว่าปุถุชนใดชื่อว่าไม่มีอาคมที่ขจัดความไม่รู้อาคมคือพระปริยัติธรรมนะไม่มีพระปริยัติธรรมอะไรเพื่อที่จะกาจัดความไม่รู้ความโง่ความเขลาไปได้เพราะไม่รู้เหตุที่เว้นนะเพราะไม่รู้เหตุที่เขาไม่รู้เนี่ยเหตุคืออะไรที่เขาจึงไม่รู้เหตุก็คือเพราะเขาเว้นจากการเรียน การสอบถามและการวินิจฉัยเห็นไหมฟัง3ามคำนะเรียนสอบถามวินิจฉัยในขันธาตุอายตนะสัจจะปัจจญการและสติปัญญาเป็นต้นนี่นี่คือความเป็นปุตุชนเ็นไหมลักษณะของอันทาปุตุชนก็เป็นลักษณะนั้นไม่ได้เรียนไม่ได้สอบถามไม่ได้วินิจฉัย เนี่ยนะมันได้ตรึกตรองในเรื่องสรุปแล้วก็คือในสัจจะสองเนี่ยนะคือในทุกขสัจกับมรรสสัจละนั้นเถิดขาดการเรียนรู้สัจจะสองอย่างนี้เป็นเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าพูดทุกขสัจแล้วก็เท่ากับสมุทัยก็พูดด้วยนะเพราะทุกเวน้นทุกขสมุทัยก็ไม่มีนะไม่ได้รับการวินิจฉัยไม่ได้รับการตรึกการตรองการเท่งการไข้ครควญอะไรหรอก อย่างนี้เชื่อว่าไม่มีอาคมไม่มีอาคมนะถ้าเป็นทางสมัยก่อนๆ น, นี่ก็เรียกไม่มีวิชาว่างั้นเถอะถ้าเป็นพวกสายสายศาสตร์นะพวกนี้ไม่ได้เรียนอาคมมาคือไม่ได้เรียนสยศาสตร์มาไปที่ไหนก็เสียหายแหละแต่ถ้าพวกที่มีอาคมไปก็ไปที่ไหนก็สบายเชื่อว่าไม่มีอาธิคมเพราะไม่ได้สระเพราะไม่ได้บรรลุธรรมะที่จะพึงบรรลุด้วยการปฏิบัติ ธรรมะที่บรรลุด้วยการปฏิบัติก็คืออริยมรรคอริยผลนั่นแหละปุตุชนนั้นจึงเชื่อว่ายายะเพราะไม่มีอาคมเชื่อว่าอัศวตวาเพราะไม่มีอธิคมนั่นแหะไม่มีไม่มีการเรียนรู้ไม่ได้รับฟังไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้บรรลุไม่ได้ตรัสรู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยแต่ถ้าใช้คําว่ า, าผู้ฟังแล้วเนี่ยนะหมายถึงพระอริยะนะสังเกตจากตรงนี้ว่า สุตวาก็คืออริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วปุตตชนก็คือผู้ไม่ได้สดับเพราะนั้นผู้ที่สดับแล้วเนี่ยใช้อย่างเดียวก็ใช้กับพระอริยะ ส, ะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คืออริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยนะท่านปุตตชนก็คือไม่ได้สดับแล้วที่ไม่ได้พื้นฐานจากที่ว่าฟังแล้วต้องหมายถึงว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้ตรัสรู้่啊 ชนนี้นั้นชื่อว่าปุถุชนเพราะเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสหนาให้เกิดเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งชนนี้ชื่อว่าหนาหนาเนี่ยบาลีว่าปุถุนะปุถุเนี่ยแปลว่าหนาเพราะยังลงภายในกิเลสที่หนาปุถุเนี่ยแปลว่าหนาปุถุชนก็คือชนที่หนาอะไรหนาะกิเลสหนากิเลสแปลว่าอะไรนะ เครื่องเศร้ามองของจิตหรือเครื่องที่ทําให้จิตเศร้ามองเนี่ยนะทำให้ใจเศร้ามองเหมือนกับพวกสนิมเนี่ยนะมันทําให้เหล็กเศร้ามองอกิเลสมันก็ลักษณะนะั้นแหละมันทําให้จิตใจเศร้ามองจริงอยู่ชนนั้นเชื่อว่าปุตุชนเพราะเหตุทั้งหลายเป็นต้นคือนะยังกิเลสเป็นต้นที่หนามีประการต่างๆให้เกิดนะกิเลสหนาๆเนี่ยคือมันเกิดไม่ได้เกิดหน่อยเดียวใช่ไหม อย่างโลภะบางทีมเกิดเป็นชั่วโมงนะบางเพลงบางเพลงเนี่ยนะถ้าไม่ไม่หมดเพลงไม่ได้โลภะมันเกิดกลุ่มไม่เรื่อยบางทีเกิดทีไม่ได้เกิดแบบเบาบางนะนเกิดยาวจริงๆ น, นะนะบางเรื่องเนี่ยโอ้โหไปสักครึ่งวันครึ่งคืนเนี่ยนะบางทีเนี่ยเ็ดวันเนีย่ยังไม่ทันรู้ตัวเลยอะอกุศลมันเกิดเนี่ยนะมันเมาไปทิ้งเจ็วันเลยนะเจ็ดวันเนี่ยนึกธรรมะไม่ออกแม้แต่คําเดียวเลยนะภายในเจ็วันเนี่ย นะตอนนั้นมันมีแต่มานะอ่ะมีแต่นามานะมีอะไรเป็นต้นก็ น, นึกสําคัญตนเนี่ยเนาะมันมันดีดปืดปืด ป, ด ป, ดปดืมานะกิเลสมันเกิดเนี่ยนะทีนี้พอมันหมดกําลังจริงๆเข้าเอ๊เนี่ยนะอุทะจะเข้ามาใหม่กุกุกจะเข้ามาอีกโอ้เราเนี่ยอกุศลเล่นงานมาเจ็ดวันนะ่ะมาทุกใหม่อีกละโอ้อกุศลเนี่ยมันเกิดมาตั้งเจ็ดวันวิปเราวิปติสารความเดือดร้อนใจถึงอกุศลที่เกิดขึ้นอีกสรุปแล้วบาปต่อไปอีกอะไร พอรู้ว่าอากุศลจิตเกิดนะก็อกุศลจิตก็เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าควรแก้ไขอย่างไรมันกิเลสนมันหนาจริงๆมันได้ช่องเนี่มันก็เกิดสมดังที่พระธรรมสังฆากาจารย์กล่าวไว้ว่าหรือที่พระสารีบุตรท่านกล่าวนะว่าชนทั้งหลายชื่อว่าปุตุชนเพราะอัดว่ายังกิเลสหนาให้เกิดความหมายที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่าปุตุชนก็คือทํากิเลสหนาให้เกิดขึ้น ความหมายที่สองก็ชื่อว่าปุตุชนเพราะถูกสกายะทิฏฐิเบียดเบียนมากถูกอัตานี่เบียดเบียนมากจริงๆสําคัญขันห้าเป็นอัตตาสําคัญว่าอัตตานี่มีอยู่ในขันห้าเนี่ยนะจริงๆก็สําคัญขันอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละว่าเป็นอัตตาแล้วก็ว่าอัตตาไปสิงไปแท้ดอยู่ในแถวแถวนั้นแหละหรือว่าข้อสาความหมายที่สชื่อว่าปุตุชนเพราะอัตว่าต้องคอยมองดูาศาสดาบ่อยๆ มองหาผู้สอนอยู่บ่อยๆว่า ง, งั้นเอเขาจะว่าไงนะนั่นะความเป็นปุตุชนเป็นลักษณะนั้นเนีม่มีความเชื่อมั่นอะไรทักอย่างอ่ะนะศาสดาศาสดาก็คือผู้สอนเนี่ยนะผู้สอนจะว่ายังไงนะนั่นะหละเหลียวไปดูหน้าท่านบ่อยๆว่า ง, งั้นเ <c oughs> ชื่อว่าปุตุชนเพราะอาจว่ายังไม่หลุดพ้นไปจากคติทั้งปวงที่หนาแน่นเนีน่ยนะในคติห้าเนี่ยนะ ปุตตชนเนี่ยยังไม่ได้หลุดพ้นจากคติทั้งห้าที่มันหนาแน่นเนี่ยนะถ้าเราเราตึกในเรื่องกรรมมากๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหวันหนึ่งเนี่ยเราทํากรรมมากมายมหาศาลเนี่ยนะถ้าอย่างทวารตาเนี่ยนะอาศัยสีเป็นอารมณ์เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ล่วงแล้วกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้ไปสู่คติต่างๆด้วยนะอย่างเรามีเสียงเป็นอารมณ์เนี่ยมีเสียงเป็นสัทธารมณ์เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิด มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็ได้กายกรรมจีมกรรมมโนกรรมได้รสเป็นอารมณ์ก็ได้กายกรรมจีมกรรมและมโนกรรมได้โพธิภาพเป็นอารมณ์ก็กายกรรมมจีกรรมมโนกรรมมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็กรรมสามอีกสรุปแล้วกรรมสามคูณอารมณ์หกเท่าไหรสิแปดนะ 18, นะสิแปดนะอะไรมากเรมาเช็คดูแนละได้มาตั้งเยอะแล้วเรามาคัดมีอะไรพอเป็นเนื้อเป็นน้ำมั่งพอเป็นการเป็นงานพอที่จะไปพบไหนได้ดีๆ อายกตัวอย่างเลยนะมีสีใดเป็นอารมณ์ที่มั่นใจว่าโอ้โหชาบนี้ไปดีแนะ่สักหนึ่งสีเลยนะสีที่เป็นอารมณะปะจัจจัยอาศัยอารมณะปัจจัยสีอันนี้แหละไปดีแนะ่ยากจริงๆนะเสียงสักเสียงหนึ่งนะโอ้โหคำนี้ปิ๊งที่สุดเลยเนะี่ยอาศัยคำนี้ไปดีแนะ่นึกถึงเมื่อไรก็ยิ้มกลุ่มนะยยากเต็มทีนะ มีแต่นึกถึงเสียงสมัยที่ว่าโลภะอาศัยเสียงนั้นโทสะอาศัยเสียงนั้นโมหะอาศัยเสียงนั้นอันนี้นึกได้คล่องทํานาลกลิ่นรสโพธพภะก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละหรือธรรมรมเอาเงี้ยธรรมรมก็คือพวกบัญญัติพวกเรื่องราวต่างๆ่นี่นะในธรรมรมทั้งหลายเนี่ยนะมีคําสอนอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้คำสอนนั่นแหละที่จะเป็นที่เพื่งให้แกศัพท์ทั้งหลายได้ทีนี้วันวันหนึ่งเอ๊ะเมื่อมีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยพวกบัญญัติพวกเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณ์เนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คําสอนถ้าถ้าส่วนใหญ่นะคิดถึงเรื่องคนโน้นไปชนกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไปต่อกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เปะเรื่องนี้หมดวันหนึ่งละแต่ว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยนะชาวนะก็สะสมสะสมสะสมสะสมสะส ม, สะส ม, สะสมอุปนิสัยมันก็พลั้งพรูออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเข้ามาปั๊บมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีเลยสะสมมามากใช่ไหมความที่สะสมมามากนี่เจออารมณ์แบบนี้ปั๊บปฏิกิริยาแบบนี้ทันทีเลย ทำจิตจะรูปออกมาทันทีเลยก็เหมือนกันนักมวยนะนักมวยที่สะสมอุปนิสัยแบบนักมวยมามากๆเนี่ยนะพอถ้าสวนมาพับต้องตอบอย่างนี้เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าต้องแก้ปัญหานั้ น, น, นๆอย่างไงเพราะสะสมอันนั้นมามากเนี่ยนะแล้วไอ้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรบอกว่าแก้แบบนี้อะไรหรอกเพราะเวลาเราแก้ปัญหาในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยคนที่นึกถึงคําสอนได้จริงๆเนี่ยน้อยมาก เนี่ยนะเจอหนึ่งอารมณ์เลยนึกถึงพระธรรมคำสอนสักบทหนึ่งเหอะใน 84% ดหมพันระธรรมขันธ์เนี่ยนะหนึ่งธรรมขันธ์ก็ยังมีมาใส่ในอารมณ์นั้นเนี่ยมาวินิจฉัยในอารมณ์นั้นมีสักอย่างเนี่ยนะบางคนบางคนกว่าจะนึกได้ทีหนึ่งก็โอ้โหเต็มทีแล้ววันหนึ่งเนี่ยใช้เวลานึกเรื่องนี้หน่อยเดียวและเวลาที่เหลือยี่ี่ชั่วโมงอะ่ชะชวนะไปนึกอะไรมันบางขนาดนั้นอากุศลเนี่ยทัานที่เหลืออากุศลเนี่ยหนาหมดเลยแต่ทีนี้ว่ามันมืดจนไม่รู้ตัวนะ บอดมาตลอดก็เลยมันสนิทดีมกันก็ที่มาช้าคุยกันก็คุณจะอุ่มคือเมื่อเราได้รับอารมณ์แล้วน ha! ี่นะฮไอ้จิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยไอ้อุปนิเียปัจจัยะมันมีอิทธิพลมากเลยมันเห็นอะไรเนี่ยนะเราสะสมอะไรมาโดยมากสะสมสิ่งไม่พอดีทั้งนั้นนะแล้วมันก็จะโน้มไปในทางนั้นอะเอาไอ้ เอาไอ้ทีอุปนิสัยที่เราสะสมมานี่ยน่ะเอามาเป็นเครื่องมือเครื่องมือจัดการกับอารมณ์ที่มันปรากฏเนี่ยแล้วมันก็จัดการมันในเรื่องเสีทั้งหมดเลยใช่แล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาว่าเอาอะไรจะมาทดแทนแก้ไขนะเขียด้วยกระดานด้วยอืมก็เช่นอ่าเอาธรรมะส่วนไหนเนี่ยเข้ามาจัด ก, การแก้ไขไอ้ไอ้ สู้กับไอ้อุปเทียปัจจัยอันนี้เนี่ยอนนนะเออดูแล้วมันมันเป็นการมันเป็นการแก้ปัญหาชีวิตยอย่างดีนะของพระเจ้าเนี่ยนะเมื่อเช้านี้รู้ถ้าหากว่าคนที่เคยสะสมมาทางโลภะนะหรู้ทางตนีเนี่ยนะพอได้รับอา ร, รมณ์มันก็เอียงไปในทางตนีนะถ้าถ้าพวกสะสมมาทางโทสานะมันก็ เอียงไปทั้งโทรศัพท์จนได้แปลกจริงๆนี่แล้วอุปนิสัยเราสะสมมานานแค่ไหนแล้วเราจะแก้ยังไงครับอย่างเงี้ยนะครับวิธีแก้แก้ยังไงครับอ่าเมื่อเจอหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะวิธีแก้ปัญหาหมายลักษณะแบบสิทิเมีอาจารย์นะสิส <laughs> ภาวูปะคมะัมมะนะอาจารย์เราว่ายังไงในหนึ่งอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอายกตัวอย่างแผ่นดินเนี่ย พระพุทธเจ้าพูดถึงแผ่นดินไว้ยังไงบ้างแผ่นดินนี่มีกี่อย่างในคําสอนเนี่ยกล่าวถึงแผ่นดินในลักษณะใดบ้างนะนะยกตัวอย่างทวาในการบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะบอกว่าธรรมดาแผ่นดินเนี่ยทนได้กับของที่สะอาดและของที่ไม่สะอาดเป็นต้นเนี่ยสภาพจิตของเราเป็นลักษณะนั้นไหมอันนี้ถ้าลักษณะแบบการเจริญกรรมฐานหรื อ, อผู้ที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมและใจของท่านก็ มั่นคงเหมือนกับแผ่นดินอาทีนี้ถ้าหากว่าในเบื้องต้นน่ะนั่นแผ่นดินภายนอกกับแผ่นดินภายในเนี่ยนะแผ่นดินภายในมีเท่าไรแผ่นดินภายนอกเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็คือเรื่องของปฏทวีท่าเข้ามาเนี่ยนะเราเมื่อได้ปฏทวีท่าเป็นอารมณ์และเราเชื่อมคำสอนอะไรต่อมาบ้างเนี่ยนะถ้าหากว่าเรา เห็นปฐวีแล้วเรานึกถึงคำสอนได้น้อยที่สุดนั่นแหละสาระเราเบาบางขนาดนั้นแหละแต่ว่าที่เป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะที่เราขาดความเข้าใจลักษณะนี้แสดงว่าอะไรศรัทธาเป็นต้นไม่บริบูรณ์นะศรัทธาในพระธรรตรายเราไม่บริบูรณ์เราขาดตถาคตโพธิ์ที่สัทธาอย่างแรงังนั้น เ, เราจึงเครื่องมือเราจึงกระพ้องกระแพ่งขนาดนี้เไนะซึ่ง ถ้ากรร ม, มสศกเพือนฐานกรร ม, มสศกตาเราอ่อนหรือเห็นภายในปรโลกน้อยเรานึกว่าไม่มีความเสียหายอะไรเลยเห็นไหมอย่างอย่างบางทีเนี่ขอมาบางทีก็นึกเหมือนกันนะเอ๊ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักเหมือนกันเถอะนี่มานั่งทบทวนใหม่นึกถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยนะเจริญมรณานุสติบ้านเรานี่มีใครตายไปแล้วบ้าง บ้านข้างเนี่ยใครตายบ้างญาติเราเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมีใครตายบ้างตายตายตายตายแล้วเพื่อนเราใครตายบ้างพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้บ้า น, าานที่ตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยนะที่เราเคยรู้จักเนี่ยมีใครบ้างแต่ละคนก็ตายไปแล้วทีนี้เราก็ว่าชีวิตทั้งชีวิตเขาทํากรรมอะไรบ้างก่อนจะตายเขาสมควรไปเกิดในที่ใดในกรรมของเขาทั้งชาติเลยเนี่ยเราเห็นว่าโอ้แต่ละคนนี่คนไปดีนี่เรานึกไม่ออกเลย จะมีใครไปดีบ้างไปสุขคติเนี่ยนะสุขคตินี่นึกไม่ค่อยออกว่าใครบ้างนะเพราะในบรรดาคนที่เรารู้จักเนี่ยบริบูรณ์ด้วยทุจริตเนี่ยนะบางคนไม่กายกรรมกว่าจีกรรมบางคนไม่วัจจีกรรมกว่มโนกรรมเนี่ยนะทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเออแล้วเราอะ่ะเนี่ยนะเราก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนี่ทำว่าเออมันชีวิตแต่ละวันจริงจอ่ะมันมีค่ามากมายมหาศาลแล้วเราจะน้อม ความคิดของเราไปทำอะไรที่จริงวิบากเราก็ดีนะจกขู่ระสาทาโสตค า, านาเชีวหากายะและก็ผวังขจิตเป็นผลของบุญเมื่อเทียบแล้วทุนเดิมเรามาเนี่ยไม่ธรรมดาของเก่ามาเนี่ยนะมาดีมากเลยนะแต่ที่นี้เราน้อมไปใช้อะไรอาศัยตาจากขู่ทวารวิถีก็เกิดอาศัยหูโสตทวารวิถีอาศัยภวังมโนทวารวิถีเกิด เราจะน้อมชาติวิบากอันนี้ไปเพื่ออะไรให้เป็นอุปนิสัยอะไรต่อไปอันนี้เป็นเป็นของเราแล้วทีนี้เราก็ทบทวนถึงสัตว์ในอบายเนี่ยมากมายมหาศาลเนี่ยนะมดมันเดินดุมดุม ด, มดุมเนี่ยที่ที่กุฏิเนี่ยมดมากจริงๆมดนะมดเอ้ยยุงเอ้ยเนี่ยนะคือไม่ใช่เฉพาะที่กุฏินะที่อื่นก็ลักษณะเดียวกันแต่รู้ว่าโอ้แหนานาบริเวณเนี่ยสัตว์ในอบายเนี่ยมากจริงจเลยนะ สัตว์ในอบายก็ทำตัวสบายๆเพลินๆแบบนี้แหละเราถ้าเห็นหนึ่งอารมณ์นะเราเพลินเนี่ยเราก็ญาติญาติเขานั่นแหละแล้วพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าตรัสไว้เนี่ยบอกว่าสัตว์ตายแล้วเนี่ยที่จะไปสุคติน้อยนักเหมือนนกเนี่ยน้อยตัวนักที่จะหลุดจากข่ายของนายพรานเมื่อก่อนนี้เราได้อุปมาที่ว่าขนโคกับเขาโคลงนันสัตว์ที่ตายแล้วไปอบายเหมือนกับขนโคที่ มาเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยเหมือนกับเขาโคพอมาฟังนักขาสูตรบอกว่าเหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บนักกว่เรอีกนะซึ่งทีนี้เอในฝุ่นเนี่ยเรามีหรือเปล่าในบรรดาฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยมีเราอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านี่แล้วก็มานึกทบทวนใหม่ว่าเราเอาใครเป็นอนุสติในชีวิตชีวิตเราเนี่ยเราคิดถึงใครมากที่สุดเอามาทบทวนใหม่มีบุคคลใดในจินตนาการเป็นบุรุษอาชาในใ น, ในความคิดของเราเนี่ย เป็นบุคคลที่เราบูชาที่สุดพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าพระสาวกองคใดองค์หนึ่งที่เป็นพระอรียเจ้านี้เราก็มาเทียบดูสองคนระหว่างพระพุทธเจ้าท่านมีความเพียรอย่างไรพระสาวกท่านมีความเพียรอย่างไรแล้วคนที่เราคิดถึงเขาบา่อยๆเนี่ยนะเขาเป็นคนมีความเพียรในลักษณะไหนเราก็มาทบทวนว่าเออใครเป็นตัวอย่างในความคิดของเราพอที่เราจะทําตามนั่นแหละคือสารณะของเรา เราเอาใครเป็นตัวอย่างมากนั่นแหละคนนั้นแหละเกือบแทบจะเป็นสารณะของเราเลยเพราะฉะนั้นก็มาตรึกเออมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอนุสติเนี่ยนะมีความสําคัญมากขนาดนี้เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่เราจะดําเนินใช้ชีวิตต่อไปอันถ้าในจินตนาการของเราเนี่ยมีผู้ที่พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมกัาลานะพระมหากระสปะพระอานนท์พระกิมพิระพระภคุพระ ราหุลเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเราก็คงไปดีแน่ใช่หหรือมีนางวิสาขานาถปิณฑิกาเศรษฐีจิตตะครหบดีคุชุตราวบาเกาหรือเรามีใครเป็นตัวอย่างนในความคิดในบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นตัวอย่างให้เราที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบบ่อยๆเนี่ยคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ชวนเราดีสักอย่างเลยเนน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็มาทบทวนใหม่ถึงอารมณ์ที่เราคิดถึงบ่อยๆ เมื่อเราคิดถึงอารมณ์นั้นๆแล้วเนี่ยอารมณ์นั้นเนี่ยก่อให้จิตดวงใดๆเกิดขึ้นแก่เราบ้างเพราะฉะนั้นพื้นฐานในคําสอนหรือปริยัติธรรมเรื่องจิตเป็นต้นเราต้องแม่นแล้วเอาหนึ่งอารมณ์มาก็มาต่อด้วยคําสอนทั้งหมดใช้หลักการทั้งหมดที่เราศึกษาเนี่ยมาเทียบเคียงใส่ใจในคําสอนเหล่านั้นตรงนี้จะเห็นด้วว่าเออเรามีสารณะก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะมันได้ปัจจัยสองตัวหลักๆ คือเวทนากระสัญญ า, าได้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ปั๊บนะถ้าเวทนาเป็นปัจจัยต่อด้วยตันหาถ้าสัญญาเป็นปัจจัยต่อด้วยกรรมนะสัญญาเดิมๆ ม, มันบอกว่าจะต้องทํากรรมอย่างนี้นะต้องถ้าเขาด่ามาเราต้องด่าตอบนะสัญญาเป็นอุปนิสัยให้ส่วนเวทนาบอกวันหน้าจะอย่งงางนั้นดีนะอย่างนี้ดีนะเวทนาเป็นอุปนิสัยให้ตันหากระซิบสัญญาเป็นอุปนิสัยให้กรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงแยกสัญญาขันกับเวทนาขันเนี่ยออกมาเป็นเอกเทศ ในบรรดาขันห้าดงั้นเราเอาตามสัญญาเดิมของเราไม่ได้เพราะสัญญาเดิมของเราไม่ได้เป็นสัญญาที่เป็นไปที่เป็นประโยชน์อะไรมากนักเป็นอกุศละสัญญาเป็นเป็นสัญญาที่มีโทษทีนี้ก็มาให้เป็นสัญญาที่ไม่มีโทษเป็นธรรมะสัญญาแทนคือสตินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสัญญานั่นแหละเป็นเหตุใกล้สัญญาที่มั่นคงนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของสติทีนี้เราจาอะไรใช่ไหม เราจำอะไรมากนั่นแหละจะรู้ว่ากรรมอะไรที่เราจะมีต่อไปนั่นแหละแล้วแต่ความจำของเราถ้าเราจำคำสอนมากกายก็จะเป็นกายาสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตมากถ้าจำกามมากก็จะเป็นไปกับเรื่องกรรมมากจำอะไรมากก็จะเป็นไปกับเรื่องนั้นๆมากนันสัญญาเป็นเหตุแห่ ง, หงกรรมเวทนาเป็นเหตุแห่งตัณหาถ้าได้สุขบอกเอออย่างนี้ยาวๆนะ ถ้าได้ทุกข์มันน่าจะยังนั้นถ้าได้อุเบกขาก็หาทางที่จะให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพฉะนั้นอากุศลที่เจริญในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ใ น, น้อยเลยมากมายมหาศาลมันเมื่อเราได้รับอารมณ์เนี่ยนะวิถีจิตก็เกิดขึ้นเป็นชวนะแล้วรกชัดขนาดนั้นเนี่ยสะสมวันหนึ่งเนี่ยมันชัดจริงๆเลยน ะ, ะนเทวดามบอกว่าชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยถูกชัดเนี่ยรัดรึงอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหานี่ยังไง ทำยังไงจึงจะสางชัดเหล่านี้ได้ดงนั้นคนที่จะสางชัดเหล่านี้ได้เนี่ยนะสีเลปฏิทฐายะนโรสปัญญวัฒอาศัยศีลเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องมือในการชำระศาสางแต่ว่าผู้ที่จะมีศีลได้เนี่ยนะศรัทธาต้องมั่นคงในพระธรรมตรายจริงๆเลยว่าพระองค์นี้ทรงแสดงอย่างนี้นะพระองค์ทรงแสดงอย่างนี้พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้แล้วมาตรึกตามมาคิดตามมาสังวรตามมาสํารวมตามเนี่ยนะงั้นถ้าพื้นฐานศรัทธาอ่อน เราจะไม่สังวรตามเลยเราคิดว่าเออกของพระพุทธเจ้าท่านอ่ะไม่ใช่ของเราอ่ะเราก็จะนึกว่าพระพุทธเจ้าเทศเพื่ออธยาศัยของพระองค์อย่างเดียวไม่ได้นึกว่าพระองค์นี่มีกรุณาต่อเรานะพระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เรานั่นแหละเราก็นึกถึงตัวเองค่อนข้างน้อยมากหรือว่านึกถึงความรกความชัดของในในภายในของเราเนี่ยอ่อนแล้วเราก็เลยไม่คิดจะแก้ปัญหาบางทนเถอเหมือนกับไข้แล้วก็ไม่ได้นึกว่าตัวเองไข้อะไรหรอกกนึกว่าหายไปนานแล้ว เนี่ยนไม่ได้นึกว่าป่วยด้วยเมื่อไม่นึกว่าป่วยก็ไม่สนใจหยูกยามากนะนะคำสอนแต่ละคำแต่ละสูตรนั้นก็เหมือนกับหยูกเหมือนกับยาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสมาทานว่าปฏิบัติตามสูตรนั้นจริงๆเลยน ะ, ะยกตัวอย่างว่าเรามีสักสูตรหนึ่งไหมที่ว่าเป็นหัวใจของเราเลยว่าเมื่อได้รับเหตุการณ์ใดๆจะมีสูตรนี่แหละเป็นเป็นนาทางในการปฏิบัติอ่างนั้นเลส่วนใหญ่เนี่ยอ่อนมากเลย บอกว่าสติปัฐานเอาสติปัฏฐานทั้งสูตรมาเลยมาเป็นเนี่แยแหละได้หนึ่งอารมณ์มาเอาสติปัฏฐานสูตรใส่เข้าไปอย่างนี้หรือเปล่ามันก็น้อยมากเนี่ยนหรือเอาเนี่ยนะในบรรดาพระสูตรหลายๆหมื่นสูตรเนี่ยนะมีสักสูตรไหมที่เราเอามาปารถนเลยนึกปุ๊บธรรมสัญญาคําสอนอันนี้ต้องมาก่อนนะมีธรรมะเป็นเป็นเครื่องนําทางเมื่อสัตว์นี้อินทรีย์อ่อนขนาดนี้เนี่ยนะเราจึงเห็นว่าโอ้ไม่น่าสัตว์ในอบายจึงมากมายมหาสัตว์ ทำใ ห, ให้สังเวชใจมากขึ้นความสลดสังเวชใจนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเพียรถ้าหากว่าบุคคลเมื่อไม่สังเวชใจก็เท่ากับไม่เห็นภายในปารโลกเมื่อไม่เห็นภายในปารโลก ก, ก็ชีวิตเราก็ลำบากแล้วเป็นอภพผูบุคคลเป็นอภพพะเป็นคนที่ไม่ควรที่จะงอกเงยใ น, ในาศาสนาในคำสอนทีนี้เราก็ลองมาตรวจสอบดูว่าเรามีความติดมีความคล่อง ในส่วนใดๆบ้างแล้วก็มาเทียบเคียงดูโอ้โหมันติดไปเกือบทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคำสอนที่จะเจริญงอกงามในในสุขภาพจิตจริงๆเนะี่ยจึงจึงยากมากนั่นแหละลักษณะของความเป็นปุตุชนจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยนะมันก็มีวิธีเดียวอย่างเดียวก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการฟังมีอยู่ก็คือมีเป็นผู้ฟังเป็นผู้ฉลาดในธรรมเป็นผู้ที่มีวินยัย เนี่ยนะสามคำก็คือหนึ่งเป็นผู้ฟังสองเป็นคนฉลาดนะท่านท่านว่าไงนะสคำเนี่ยเนาะหนึ่งเป็นผู้ฟังสองให้เห็นสามฉลาดสี่ก็มีวินยัยเนี่ยนะสีค่คำเนี่ยเป็นเครื่องแก้ปัญหาในความเป็นปุตุชนของเราเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งนะก็คือให้เป็นผู้ได้ฟังให้เป็นผู้ได้เห็นให้เป็นผู้ฉลาดและให้มีวินัยของพระอเรียเจ้า ให้มีสี่คำเนี่ยของพระอริยท่านนั้นปัญหาเราก็จะแก้ได้ตรงนั้นถ้าไม่มีคำสอนเหล่านี้แล้วสุมเดาไปเถอะใครที่มีความสา ม, มารถเนี่ยก็ <c oughs> กของอามาเนี่ยก็ยกย่องเขาแหละว่าเขาเป็นบุรุษอาชาในาไปเถอะแต่ว่าข้าพเจ้านี่กลัวเหลือเกินว่างั้นเดินทางมามากแล้วก็ขอเดินตามพระพุทธเจ้าทีหนึ่งน่าจะสบายใจดเนี่ยนะนั้นปฏิญาณในฐานนะโอสมาทานเป็นสาวกเลยว่างั้น ทางสารนังข้าามิไม่ไม่แต่คิดแต่ขววงใจเลยว่างั้นไม่รู้สึกว่าโอ้ยมีบุคคลอื่นที่นําทางเก่งกว่านี้เราไม่ไม่คิดละเลิกคิดละเนี่ยนะแล้วก็วิชาแนงอื่นๆที่จะช่วยให้เราพ้นทุกจริงๆนอกจากคําสอนแล้วก็เราไม่เห็นวิชาใดละในโลกนี้พอที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เราได้เนี่ยนะก็วันนี้สนทนากับใครไม่รู้จําไม่ได้แล้วบอกว่าคนอื่นเขาไฟในรคไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรก็อยู่ไปเนี่ยนะ ก็ไม่เป็นไรว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วเราก็เป็นไปตามกรรมของเราเหมือนกันนี่นะฉะนั้นจ้องไม่ลืมนะว่าเราใครมีใครเป็นอนุสติเนี่ยนะมีใครเป็นตัวอย่างนะก็ เ, เหมือนกับอะไรนะเด็กๆเ้าจะมีคนในอุ ด, ดมการ์ของเขาสักคนหนึ่งใช่ไหมนะถ้าเพศตรงข้ามก็มีคนในดวงใจสักคนหนึ่งอะไรลักษณะเนี่ยถามว่าในโลกนี้เรามีใครเป็นคนในอุ ด, ดมการณ์ของเราเนี่ยนะมีใครเป็นคนในดวงใจของเราที่เราเอาเป็นตัวอย่างเป็นทิฏฐานุคติเนี่ยนะ เราเป็นมีใครนั้นถ้าหากว่าวิจารณญาณเป็นต้นเราอ่อนเราก็ลำบากแล้วอันนอกจากว่าได้ตัวอย่างภาษาริบุตรก็ยังดีนะหรือพระโมคคัลลานะพระมหา ก, กัสสปะก็ได้นะพระนนท์พระนนพราหุลก็ไม่เลวอลองจำสู่สั้นๆสักสู่สิครับเผื่อว่า อ, อาจจะทำให้เป็นที่พึ่งของท่าน ท่านบอกว่าโลกย่อมจุติและปฏิสนธิบ่อยๆง่ายๆเนี่ยนะโลกย่อมจุติและปฏิสนธิบ่อยๆคือเมื่อจุติก็ถือเอาปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิก็ถือเอาจุติต่อนี่ง่ายๆมากเลยนะเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดพอเกิดใหม่แล้วก็ตายอย่างเงี้ยนะท่านบอกว่าเปรียบเหมือนเรือซึ่งถูก ซัดไปในมหาสมุทรับนะแล้วก็ท่านเปรียบเหมือนโคโ ท, ที่เทียมได้ยนตเมื่อวานเพิ่งเข้าใจเมื่อวานนี้เทียมได้ยนต์แต่ก่อนนี้ไม่เข้าใจว่ายน์นะนะ่ะหมุนอยู่นั่นล่ะเนเน็ตเหนื่อยนะหมุนอยู่กันใช่ไหมครับไม่ออกไปไม่ได้นะใช่ไหมไม่เลิกกันนะนะง่ายๆเลยนนะโลกถือเอาจุติและปฏิสนธิบ่อยๆนะคือเมื่อปฏิสนธิก็ถือเอาจุติเพื่อจุติแล้วก็เปล่าไปปฏิสนธิอีกวนเวียนไปใน กำเนิดสี่ในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสตารวาสเก้ามานี่นะเราเห็นมองเห็นเลยนะมันถือลงประธรรมแปดนะถือเจ้าปฏิโนที่แล้วก็ไปจุดตีจุดตีแล้วปฏิโยนที่แล้วเนี่ยเราเวียนไปในเรื่องกำเนิดอ่ภพสามกำเนิดสี 4, ่คติห้าวิญญาณเอ่อวิญญาณทิฏิเจ็ดเนี่ยสตาวาสเก้าเนี่ยที่กล่าวข้างหลังเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งนั้นเลยอ่ะ เป็นเรื่องของสัตว์ทุกชนิดเลยมันพื้นฐานถ้าเรามองความเป็นไปของสังสารวัตรไม่ได้นะเราก็ไม่คิดจะออกจากโลกอความคิดที่ไม่คิดจะออกจากโลกนั่นแหละไม่มีแนวความคิดด้านโลกุตระเลยคือเมื่อเมื่อเรามองเห็นความเป็นไปของโลกอย่างตลอดสายแล้วทํายังไงที่จะหลุดจากไอโคโจรอัปลักษณอันนี้นะทํำยังไงอะ่ะมันนอกจากถ้าไม่ไม่พิจารณาคําสอนเนี่ยนะเราไม่รู้จะออกยังไง ถึงเบื่อยังไงก็ต้องทําเหมือนกับที่โยมกันเล่าเาช้ามาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเบื่อที่สุดเลยก็บางวันตื่นเช้ามาต้องไปกินข้าวต้องไปอย่งังไอย่างไงเปิดเช้ามาไม่อยากลุกเลยอ่ะมันเบื่อไปหมดเลยคล้ายๆลักษณะนั้นเบื่อก็ต้องทำอ่ะเบื่อก็ต้องอยู่ก็ต้องเป็นอย่างไงเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ปัญหาอันนั้นไม่ได้รับการแก้ถามว่าปัญหาเหล่านั้นแก้ยังไงปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยเขาให้แก้ด้วยการไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มันเพียงพอเนี่ยนะและค่อยๆถอนออกไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของพระอริยบุคคลท่านก็เหมือนกับดอกบัวนั่นแหละท่านบอกว่าดอกบัวเนี่ยเกิดในน้ำอาศัยน้ำโครนตมเนี่ยนะแล้วก็เจริญเติบโตในน้ำแล้วก็พ้นน้ำและโครนตมไม่มีคราบของน้ำและโครนตมไปแปดเปื้อนในดอกบัวชันใดว่างั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านก็เกิดในโลกอยู่ในโลกเจริญเติบโตในโลก แต่จิตใจของท่านพ้นจากโลกเพราะท่านมองเห็นโลกอย่างตลอดสายแล้วท่านจึงมีใจเพื่อที่จะสลัดจากโลกการสลัดจากโลกนั่นแหละเรียกว่าโลกุตระเนี่ยนะก็คือจิตที่สลัดออกจากโลกจากโลกนั่นแหละเรียกว่ามัคจิตและผละจิตเป็นจิตที่สลัดออกจากโลกกันเด็ดขาดออกจากวงจร น, นั้นนแต่ถ้าก่อนที่จะสลัดตัดออกจากวงจรอันนี้ได้ คนนั้นเนี่ยนะวินิจไชโลกด้วยปริญญาสามมาเป็นอย่างดีจึงจะหลุดจากโลกได้ถ้าปริญญาสามในโลกไม่เพียงพอเนี่ยหลุดไม่ได้หรอกเพราะมันติดหนับเลยเห็นอารมณ์ไหนปุ๊บสุภานิมิตปฏิฆานิมิตอุเบขานิมิตทันทีเลยมีคําสอนไปใส่ในในอารมณ์นั้นเรียกยงก็ยินดีในโลกตลอดเมื่อยินดีในโลกก็ไม่พ้นจากโลกโลกนั่นแหละเรียกว่าทุกยินดีในโลกก็เท่ากับยินดีในทุกเมื่อยินดีในทุกก็ไม่พ้นจาก แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างในโลกนี้ยุติธรรมเสมอเมื่อคุณอยู่เล่นอยู่คุณอยู่ตำแหน่งนี้คุณต้องรับผิดชอบแบบนี้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นคุณต้องรับผิดชอบแบบนั้นไม่ต้องห่วงนะโลกนี่จัดการวงจรระบบชีวิตให้หมดเลยนะไปเป็นสัตว์ในอาบายก็ทํางานแบบสัตว์อาบายไปเป็นมดทํางานแบบมดเป็นปลวกทํางานแบบปลวกเป็นช้างทํางานแบบช้างเป็นมนุษย์ทํางานแบบมนุษย์คุณไม่ทํางานไม่ได้เดี๋ยวถูกคนด่าคนเฉงอีกลําบากหมดเลยนะ เป็นเทวดาก็ยังมีหน้าที่ของเทวดาเป็นพระอินทเนี่ยโอ้เวินิฉัยอย่างเดียวมีคดีให้วินิชนไฉเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหัวหน้าศาลเหมือนกันยังก็สบายใจหน่อยก็เป็นพรอมบ้งเนาะแต่ก็พอหายใจหายคอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ปฏิสนธิใหม่อีกเนี่ย น, นะถ้าหากว่าพรอมไม่ใช่พรอ ม, มนาคามีสุทาวาสเขายังชั่วหน่อยไม่ลงมาไม่ไม่ตกต่ำแล้ะจะไม่มีลงมาอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในระบบอันนี้ ทีนี้ระบบอันนี้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมองไม่ไม่มองตลอดสายเนี่ยนะมันก็เหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดพักหน่อยหนึ่งนะลืมเอาใหม่เนี่ยนะเขาจึงบอกก็เหมือนกับสมมตินะเหมือนกับกีฬาบางชนิดเนี่ยนะเล่นแทบเป็นแทบตายมานั่งหายใจหายหายเหนื่อยพักเอาใหม่อีกแล้วแทบตายอีกก็มาแบบนั้นอีกก็เล่นอยู่อย่างนั้นถามให้มันสนุกยังไงนะ ช, ช, ช, ชีวิตของสัตว์ที่เป็นตายเนี่ยนะลักษณะนั้นเลยนะ ดูมันมันขำๆยังไงไม่รู้นะมันคขำแบบตลกแบบหัวเราะไม่ออกอะ่ะขำยังไงมัำแบบสังเวทใจะนะก็บอกว่าสูรเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาที่ดูโลกอันตรการกาที่คนเขลาหมกอยู่ผู้รู้หาข้องไม่เรีว่าในสายตาของภระรยะท่านว่างั้นใช่ไหมคนเขลาหมกอยู่ผู้รู้หาข่องไม่เอ๊ะเราลองมานั่งคิดแบบผู้รู้ดูสิทําไมเขาจึงว่าเราหมกอยู่หมกยังไง <c oughs> ก็เราข้องไปทุกอารมณ์เลยทั้งอุเบกขานิมิตโสภาณิมิต ปฏิฆานิมิตถ้าบอกว่าสูภาษณิมิตอะไรนะรู้ไหมคํานี้เป็นรหัสของอะไรสมุทัยศาสตร์แสดงว่าตันหาโปโนโ ภ, ภวิการนันทิราคาัสหกักตาตตตาตตระพินันทินีเนี่ยนะว่าเกิดใหมนะ่แล้วโปโนโ ภ, ภวิการก็คือตัวที่นําเกิดยินดีในอารมณ์ปั๊บเนี่ยแสดงว่าการเกิดเรามีอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงยินดีอาศัยสีเนี่ยตามีอีกแล้วอาศัยหูก็มีเสียง อ, ยอาศัยเสียงเพราะมีหูอีกต่อไป เพราะฉะนั้นในยินดีในอารมณ์ใดๆตามเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆนั่นคือปัจจัยแห่งปฏิสนธิหมดเลยเนี่ยนะทีนี้เราก็ไม่เห็นโทษของอารมณะปัจจัยเหล่านั้นนั้นก็บอกว่าความรักมีอะไรเป็นผลในจุนท่าสูตรเขาว่าไง เขบอกว่าความรักมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาเป็นผลเพราะสิ่งนั้นแปรไปอันนคือสิ่งที่เรายินดีส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมถ้าสิ่งนั้นนั้นหมดปัจจัยสิ่งนั้นก็แปรไปเมื่อแปรไปเนี่ยพาใจเราแปรไปด้วยทุกขสัตเข้ามาแล้วอันนั้นทุกขสัตจะเข้ามาเข้าไปยินดีสมุทยัทยสัตใช่ไหมเข้าไปยินร้าย ทุกขศัตท์เห็นะหเข้าไปไม่สนใจอวิชชาเล่นแนวอีกก็เป็นไปอย่างนี้ตลอดแล้วก็เพลินนิ่งกันนะสนุกบิ๊เพราะฉะนั้นปุถุชนก็เลยจึงไม่หลุดพ้นจากกิเลส ท, ที่มันหนาแน่นแล้วก็เป็นไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราเราฟังอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงความการุณาของพระพุทธเจ้าอ่อนเนี่ยนะเราจะนึกหาทางออกไม่ได้เลย มันมืดไปหมดเลยนะเป็นเป็นเป็นปัญหาที่เรานึกแก้ไม่รู้จะแก้อย่างไงเพราะว่ามันมืดไปหมดเลยนะแต่ถ้าเรานึกถึงพระพุท ธ, ธคุณว่าพราะองค์นี่มีกรุณานะพระองค์ยื่นมือเข้ามาช่วยเราแล้วนะเนี่ย น, นะก็คือยื่นคําสอนมาให้เราในะแหละเรียกว่ายื่นมือเข้ามาช่วยเราแล้วมาช่วยแก้ปัญหาอันนั้นแต่สมัยนี้เขาวิจารณ์ว่าเพราว่าคําสอนแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เนี่ย น, นะเขาเขามีความเชื่อมั่นในลักษณะนั้นหลายหลายคนและ เขาเชื่อว่าัคําสอนนี้แก้ปัญหาให้เขาไม่ได้บอกมันล้าสมัยบ้างล้าหลังบั่งอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาก็แสดงว่าเขาก็ยินดีในโลกนะเมื่อเขายินดีในโลกก็ไม่ไม่เป็นไรนะพระองค์เจริญกรุณาไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทํานายให้ได้เลยนะถ้าใครไปให้พระองค์พยากรณ์ว่าอีกสิบกลับข้างหน้าเธอจะไปเป็นอย่างนั้นอีกร้อยกลับแสนกลับหรือจะเอาอีก50อสงไขยก็ได้เธอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระองค์เนี่ยมองออกอย่างตลอดสาย แต่ว่าพระองค์ก็เจริญกรุณาสังเวทใจแล้วล่ะนะที่จริงเราเอ๊บอกว่าถามว่าพระพุทธเจ้าเคยมีพวกเราเป็นอรรนารามณะปัจจัยไหมเคยมีไหมเคยคิดอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าเคยเค ย, เคยเห็นเราไหมเคยมีเราเป็นอรรนาร า, รามณะปัจจัยไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธมีเออเราเนี่ยเป็นอรรนารามณปัจจัยของพระพุทธเจ้าไหม ก็บอกว่าคนตาบอดเนี่ยนะเวลาดวงอาทิตย์ส่องข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องเราเห็นเราหมดแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยรู้ไม่เคยใคร่ครวนมันเหตุการณ์ที่เรากําลังนั่งฟังทำพระองค์เห็นหมดแล้ว่ะเห็นหมดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่เห็นเนี่ยนะทั้งอนาคตังสยานอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์พระศาสนาเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็ไปอ่านดูในในอนาคตตาภัยสูตรเนี่ยนะ พระองค์กล่าวไว้หมดแล้วอย่างว่าเราตาบอดกันเลยดวงอาทิตย์สองกันเลยไม่เห็นใช่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ทีนี้พระองค์ก็ไม่รู้จะทํานายไปทําอะไรว่าไม่เกิดประโยชน์ในกลุ่มนั้นเลยพระองค์ก็ไม่รู้จะแสดงไว้ทําอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้เล่าบอกสัตว์ทั้งหมดหรอกแต่ว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันไม่มีอารมณะปัจจัยใดที่พระองค์ไม่เคยตึกไม่เคยไข้ครวญ เนี่ยนะวันเหตุการณ์ทั้งชีวิตของเราตลอดสายเนี่ยพระ อ, องค์มองเห็นหมดแล้วละ่ะเนี่ยนะเนี่ยก <c oughs> ็บางคนก็นึกว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เราอนะ <c oughs> เลยไปเรื่อยที่จริงพระ อ, องค์มองเห็นหมดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนนั้นคนนั้นอันนะแค่ว่าที่เพราะว่าพระ อ, องค์ตรัสว่าไม่มีอ ร, รมณะปัจจัยใดที่พระ อ, องค์ไม่เคยใคร่ครวญเนี่ยนะในสีทุกชนิดในเสียงทุกชนิดในกลิ่นทุกชนิด ในรถทุกชนิดในโพธพะทุกชนิดในธรรมรมทุกชนิดเนี่ยนะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยตรึกไม่เคยใคร่ครวนด้วยสัพพัญยุตยานเนี่ยนะพระองค์ตรึกหมดแล้วในโลกธาตุทั้งหมดอะ่ะแล้ววิจัยหมดแล้วว่าใครส่งข้อขึ้นไม่ขึ้นโปรดขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยพระองค์แยกแยกคัดสันเบ็ดเสร็จหมดเลยก็เหมือนกับสัพพัญยุตยานเป็นต้นอ่ะเหมือนกับเครื่องคัดถ้าถ้าเป็นส้มนะเขซื้อส้มมาก็ลูกขนาดนี้เป็นซ้ายเป็นซ้ายก็จะคัดคัดคัดคั ด, ค ด, คด พระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นพระองค์แบ่งโลกเลยสัตมนี้ชุดนี้เหมือนอุคติตานยูพวกนี้เป็นวิปัญจิตานยูพวกนี้เป็นเนยยะพวกนี้เป็นจริตแบบนี้พวกนี้เป็นจริตแบบนั้นต้องใช้คําสอนแบบนั้นจะบรรลุเท่านั้นเท่านั้นวิจัยหมดไม่บรรลุเท่านี้นะแต่พวกนี้แสดงแล้วจะได้วาสนาบารมีจะได้อุปนิสยัยแบ่งๆ ๆ, ๆ, ๆเบ็เสร็จหมดแล้วก็ว่าพรหมมั้งั้นะนะที่พระองค์รับปากพรหมแล้วจะแสดงคํานะในช่วงนั้นพระองวิจัยเบ็ดเสร็จ คืออย่าไปคิดว่าพระองค์จะใช้เวลานานเหมือนเราคิดนะเรามันอุทตจาัมเล่นงานมากอ่ะมิตกอกุศลมิตกมันเล่นงานมากกว่าจะคิดอะไรหน่อยหนึ่งมันยากเหลือเกินแต่ของท่านใช้เวลาวัปเดียวเนี่ยคิดได้เรื่องเป็นพันเหมืนงั้นเถอะอัดตั้งพันเหมงั้นอะสำนวนนะอัดตั้งพันเนี่ยท้าสากาณเนี่ยเขาบอกว่าเครได้ยินนะสหสเสนทโททิปจาจักรคูอกว่าพระอินเนี่ยเหมือนมีคนมีพันตาในชั่วระยะวัดเดียวเนี่ยนะ พันโลกธาตุเนี hmm. mm. ่ยท่านมองเห็นเหมือนกับอะไรอยู่บนฝ่ามือพ่านรุท่าเนี่ยพันโลกธาตุเนี่ยนะเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือเหมืันันวัดเดียวเนี่ยท่านมองออกหมดเลยนั้นความสามารถของท่านขนาดนั้นนั่นนะของเยววะยาอามาก็เหมือนท่านนั่นแหละตกมาจนถึงทุกวันนี้มานั่งลำพึงลำพันอย่แต่ก็ยังดียังมีข้อข้ําำสอนวางไว้อีก คือคื อ, ค อ, ค อ, คอกำลังนึกว่าถ้าพลาดครั้งนี้เนี่ยแย่แน่เนี่ยนะของใครใกลยก็แต่ของก็บอกว่าไฟกำลังไหม้บนทีตะเนี่ยใครสบายใครมีความสุขก็ก็ไม่เป็นไรว่างั้นแต่ก็คือเล่าว่าก็ามาเป็นเป็นลักษณะนี้มาหลายปีแล้วมันมันมันเครียดเรื่องนี้มากคือหมายความว่าถ้าเรางานนี้ถ้าเราทำไม่เสร็จนะแย่แน่สำนวนเนี่ยแย่แน่นะค่ากับ ค, คือเราไม่ต้องอุทาหรณ์อดีตชาติอะไรหรอกระชาินี้ที่ผ่านมานี่เราก็แย่มานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาเจอคำสอนนะถ้าพลาดอีกแย่แน่นะรู้เลยว่าแย่แน่ทุกวันนี้ผมผมกำลังคิดอยู่ครับว่าไอ้ที่ว่าแย่แน่เนี่ยนะครับถ้าผมไม่สามารถที่จ ะ, ะทำใจบังคับใจให้เป็นกุศลได้นะครับผมแย่แน่ ผมแย่แน่เลยนะเพราะวาทุกอย่างจะให้โยนิโสมนสิการให้เป็นกุศลให้ได้ฝึกพยายามฝึกนะฮะเจนปอนใช่ม่งั้นแย่แน่แนเลยครับดูดูแล้วไม่พ้นไม่<ช>พออน้นไอ้อบายแน่เจนปอนก็พลพลยังนึกอยู่ทุกวันเนี่ยว่าในพีคัมภีร์เปรตวัตถุเนี่ยนะสมัยภาษาศาสนาพระสรีอารเนี่ยไม่ใช่ไปมีเราชื่อเราอยู่ในนั้นด้วยคนหนึ่งคือจะว่าระดับเราเลยนะเพราะว่าภาคกปรินละเนี่ยทรงพระไตรปิดกอ่ะท่านทรงพระไตรปิดกท่านยังไปเลย ถ้าอากุศลมันได้ช่องอย่าลืมว่าถ้าใครรู้ที่อรู้ความเป็นปัจจัยของจิตดีเนี่ยนะจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันแล้วแต่ปัจจัยนะเพระจิตเหมือนกับเสียงเอาอะไรมาบังคับเอาใช่ไหมพอเห็นปั๊บเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าคนยิ้มให้เรานะเรายิ้มตอบทันทีเลยเอาสิเขาด่าเราดูสิโกรธตอบทันทีเลยนะ <c oughs> มันไวขนาดนั้นอนะ่ะเมื่อไวขนาดนั้นเข้าเนี่ยนะถามว่า อ, อะไรเป็นเป็นประมาณในการเดินทางนะนะเจตนาเหล่านั้นนั่นแหละทีนี้ว่าพอโกรธพอเกลียดไม่ใช่ไม่มีผลเนี่ยนะนะทั้งอุปนิสัยปัจจัยเอ่ยกรร ม, มะปัจจัยเอ่ยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทำงานของเขาแล้วมันเขาก็เป็นในลักษณะนั้นถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ใจของเราเป็นไปกับคําสอนมากๆเนี่ยนะปัญหาอันนี้มันแก้ไม่ได้หรอกเนะี่ยคือปัญหาเหล่านี้เราแก้ไม่ได้จนกว่าเราจะพักผ่อนตรึกตามคําสอนให้เพียงพอแล้วค่อยๆแยกปัญหา นะแต่ละอารมณปัจจัยมาเนี่ยจะต้องพิจารณาหมดเลยพิ่งพึ่งเข้าใจตอนหลังนี้เองว่าพระอรหรนันต์ไม่มีอารมณปัจจัยใดที่ท่านไม่เคยคิดไม่เคยปริญญาสามลงในอารมณปัจจัยนั้นๆไม่มนะีในอารมณ์ทุกทวารของท่านเนี่ยนะท่านมีอารมณะท่านปริญญาสามเรียบร้อยแล้วเขาจึงเรียกว่าผู้ที่ไม่มีกิจในการวินิจฉัยโดยอริยสัจสีไม่มีกิจอีกแล้วเพราะท่านทาจบหมดแล้ว รอบรู้ภาารถานเนี่ยวินิจฉัยทุกอารมณ์หมดแล้วของเราเนี่ยเราเอาปริญญาสามลงในอารมณปัจจัยใดบ้างเอาสีลงปริญญาสามเรามากไหมจกักขูลงปริญญาสามจักขูวิญญาณลงปริญญาสามผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาเนี่ยลงปริญญาสามชาวนะลงปริญญาสามเรื่องกรรมลงปริญญาสามอะไรอย่างเงี้ยนะเรามากขนาดไหนไนะถ้าอ่อนก็แสดงว่า เพราะว่าในนิเทศท่านกล่าวถึงว่าท่านท่านยกอย่างเดียวยกสัญญาขึ้นมายกสัญญาลงปริญญา3นะรูปจักเรียกว่าในรูปประสัญญาก็คือเน้นสัญญาเจตสิกอ่ะที่มีสีเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปประสัญญาสัญญาเจตสิกมีเสียงเป็นอารมณ์เรียกว่าสัทธาสัญญาเนี่ยนะสัญญา6นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าสัญญา6นะอารามมณปัจจัยของสัญญาเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละ ถ้าวิจัยสัญญาเท่ากับวิจัยอารัมมะปัจจัยนั้นๆด้วยอารัมมะปัจจัยของสัญญาด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านทําปริญญาสามในสัญญาอย่างบริบูรณ์เลยเพราะเมื่อท่านทําปริญญาสามในสัญญาอย่างบริบูรณ์ท่านก็จบอ่ะเนี่ยนะท่านเรียนจบละเนี่ยนะรู้ว่าสัญญาสามเนี่ยนะโดยยาตะปริญญาเป็นอย่างไรตัวสัญญาเป็นทุกขสัตต์ปัจจัยของสัญญาเป็นสมุทัยสัตต์ ปัจจัยของสัญญาเป็นสมุทัยสัตว์อันถ้าหาว่าการทําปริญญาการวิจัยในในสิ่งเหล่านั้นนั้นเราอ่อนเท่าไหรเนี่ยนะบ่งบอกถึงว่าสัมมาทิฏฐิเราก็อ่อนเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสัญญาเนี่ยสัญญาบางอย่างเป็นชาติวิบากสัญญาบางอย่างเป็นชาติชาติอะไรนะกุศลแล้วก็กิริยาก็มีใช่ไหม เราถ้าเราตรึกเรื่องนี้อ่อนแสดงว่าสัญญาขันเราอ่อนทำไมพระองค์แสดงว่าสัญญาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาาละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลเนี่ยนะเธอตามเห็นสัญญานั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อ่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตราของเราเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นตัวสัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นในการรับอารมณ์เนี่ยนะได้รับปริญญาทั้งหมดเลยเนี่ยนะ หรือว่าเวทนาก็เหมือนกันเวทนานี่อาศัยอารมณปัจจัยหนึ่งหนึ่งอารมณะปัจจัยก่อให้เกิดเวทนาสามเลยเพราะฉะนั้นเวทนาก็ต้องได้รับการวิจัยทั้งหมดอีกนะถ้าใช้สิ่งใช้คําว่าสัมมัปปัญญายาทัถพังว่างนันพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่างนนันนะเห็นชอบเวทนาเหล่านั้นอ่ะเมื่อเวทนามีสีเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดเวทนาสามได้อย่างไรเห็นไหมทำไมจึงเป็นเวทนาทั้ง3ม ถ้าสุขเวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงทุกขเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงเมื่อมีสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยนะท่านวิจัยหมดเลยเนี่ยนะมันได้รับการตรึกการแพ่งการใคร่ครวนการพินิจพิจารณาเป็นอย่างดีมันท่านาในการวิจัยเหล่านี้เนี่ยนะถ้าจะตุปปริสุทธิ์ศีลเป็นต้นอ่อนเนี่ยนะหรือสมถะอ่อนมันตรึกพวกนี้ไม่ได้เนี่ยนะพอคิดเมื่อไร่สัญญาแค่นั้นแหละหายทันทีเลยฟัดเข้ามาเลย นิวรณ์อย่างอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วอุทจจะอย่างน้อยเนี่ยอุทจจะเข้ามาแทนนะไม่มีถ้าไม่มีโทสะไม่มีอย่างอื่นเข้ามานะอุทจจะเข้ามาเลยอุทจจะสัมปยุทธเข้ามาแล้วคิดต่อไปไม่ได้หา อ, อย่างอื่นทําดีกว่านะปัญหากระทริปแหลนะเพราะพื้นฐานกุศลธรรมเราอ่อนเนี่ยนะถ้าหากว่ากุศลธรรมคือจตุปริสุทธิ์ที่ศีลมากเนี่ยนะหรือสมถกรรมฐานเนี่ยนะเจริญพุทธคุณมากจเจริญธรรมคุณจเจริญสังคคุณเจริญศีลคุณเนี่ยนะสีลานุสติเนะี่ย จเจริญพวกนี้มากๆให้จิตเนี่ยมันมันนิ่งก่อนนะคือว่าจิตมันเป็นไปกับคําสอนมากขึ้นเสร็จแล้วมาวิจัยเรื่องพวกนี้ได้ถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นนั้นอ่อนการวิจัยโดยปริญญาสามเราก็จะอ่อนเนี่ยนะถ้าทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อ่อนเนี่ยนะยังไงมรรคสัต์เราก็ยากนีถ้าเรารู้จากทุกขสมุทยัยอ่อนเท่าไหรนะ่นะศีลเราก็จะรู้จักอ่อนด้วยเพราะเราก็ไม่เห็นโทษของสังสารวัตใช่ไหม หนึ่งนะถ้าทุกข์กษัตริย์กับสมุทรยศอ่อนเราก็ไม่เห็นโทษของสังสารวัตเมื่อไม่เห็นโทษของสังสารวัตเราจะสังวรไปทําอะไรใช่ไหมก็ไม่คิดจะสังวรใช่ไหมก็จะไม่คิดจะสังวรจะไม่คิดจะเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะสีลสังวรสติสังวรญานสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรจะไม่ไม่คิดจะสังวรเลยเพราะไม่เห็นโทษของอรรมะณปัจจัยเหล่านั้นนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการวินิจฉัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึง สแสดงจริงๆเลยนะนึกถึงมหากรุณาที่คุณของพระ อ, องค์นะนึกถึงก็บอกว่า oh, เพียงพอแล้วพิสูจทั้งหลายว่างั้นก็<笑><笑>อบอกว่าก็อบอกว่าธรรมะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วละที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะแค่นี้ของพระ อ, องค์นะที่ประทานให้เรามาเยอะแยะเนี่ยนะทีนี้เราก็คิดดูหูเราถ้าพูดในหนึ่งนะพอเรามีสมบัติมากว่างั้นแต่เนะห็นไหมให้ให้เราได้ท ร, รัพย์คือสุตตะเนี่ยนะแต่เราเนี่ยใช้ท ร, รัพย์ของพระ อ, องค์ได้น้อยจริงๆ ความสา ม, มารถในการดึงรัพย์เป็นต้นมาใช้เนี่ยอ่อนขนาดนั้นเลยมันนึกว่าโหสมบัติพ่อที่มากมายจริงจระงนะซับคือรัตนะของพระ อ, องค์เนี่ยนะรับของพระ อ, องค์คือไรสติประธาน 4, สี่สมมประธานสอิธิบาทสีอินสี่ห้าพัลละห้าพุทชงเกตอาริยมัสมีองแปดเนี่ยนะยยเยอะแยะไปหมดเอามาใช้ไม่ได้สักอย่างเลยเกดดูโหเป็นเรียกว่าลูกตกลูกยากจริงจริงเลยนะโหห่าง มันเหมือนว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเผชิญกับข่าสึกนะแล้วก็เราเรียนธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอาวุธตอนนี้ตอนตอนนี้มีอาวุธมีอาวุธตั้งเยอะนะแต่ว่าเราได้มาชิ้นหนึ่งแล้ว น, นี้ค่าสึกก็ใหญ่ก็โตนี่นะครับผมผมยังมานึกเลยนะครับว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอารมณ์นี้เกิดขึ้นนี่นะบางทีนึกไม่ออกนะครับเรารูล้ละให้ จ, จัดการยั ง, ยงไงดีนะอกุศลเกิดแล้วนะ เราจะเพ่งยังไงเราจะตึกยังไงนะจึงจะเป็นจึงจะหลีกเลี่ยงอกุศนันั้นเนี่ยนะนึกไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเราเราทรงจำไม่เยอะนะฮะแล้วเราก็มีเครื่องมือเยอะใช่ไหมครับนี่นี่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับเราก็ถูกมันพาไปถูกมันทำลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำว่าอินเซียสังวรมีความสำคัญมาก แม้แต่ขั้นสีนั่นนะฮะแม้แต่ขั้นสีเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าการสังวรไม่มีนั่นแหละคือความเป็นปุตุชนของเราสมบูรณ์แบบเลยนะถามว่าปุตุชนเป็นยังไงบอกไม่มีสังวรสักอย่างนั่นแหละเรียกว่าปุตุชนบริบูรณ์เลยเต็มเตี่ยมเลยนะเมื่อได้รับอารามณปัจจัยหนึ่งอารามณปัจจัยนะไม่มีศีและสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรในอารามณปัจจัยนั่นแหละเรียกว่าปุตุชน ง่ายง่ายแล้วต่อไปอีกนะเขาบอกว่าเชื่อว่าปุตตุชนพระอาดว่าปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งต่างๆเป็นอันมากใช้คาว่าปรุงแต่งนะเป็นชื่อของอะไรปรุงสังขารหรือเจตนากรรมทํากรรมมากหรือเกินเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยนะทำทำมากเลยนะก็บอกว่าชาตินี้ชาติเดียวนะถ้ากรรมที่เราทำตั้งแต่เกิดจนจนจ น, จนอายุเท่านี้นะเจตนาเหล่านี้ให้ผลนะเราไม่ต้องทําอะไรหรอก ถึงไม่ทํากรรมใหม่เนี่ยก็อยู่ในวัตตะยาวแล้วละ่ะเนี่ยนะหรือไอกรรมชาติใ น, นอดีตไม่ต้องมาให้ก็ได้อาจฉพาะของชาตินี้แหละ<อ>พระมหากุศลดวงเดียวให้ผลแปดวงโทสะทิ่งให้แปดให้เจ็ดดวงนะโลภะดวงที่หนึ่งให้ผลเจ็ดดวงดวงที่สองก็ให้เจ็ดวงแล้วมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวเนี่ยมันเกิดบ่อยเหลือเกินเนี่ยไหมสามารถว่าผลของมันเนี่ย โ, โหไม่ต้องอ่ะเพราะฉะนั้นใครคิดจะใช้กรรมให้หมดเนี่ยไม่มีทาง แค่เราทําของชาตินี้ก็อยู่ในอีกแสนกลับกาใช้ไม่หมดไอเจตนาที่เราผลิตกันเนี่ยนะยังไงก็ใช้ไม่หมดก็มีวิธีเดียวก็คือตัดกรรมใชเจริญกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมถ้าหากว่าไม่สามารถเจริญกุศลกรรมประเภทเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนะก็บอกว่าโอ้โยมจะใช้กรรมให้มันหมดก็ว่าจะได้เลิกก็ทีจะเลิอกอะไรเห็นแล้วก็ทํากรรมอีกแล้วใช่ไหม ได้ยินก็ทํากรรมนึกคิดก็ทํากรรมไม่ได้นึกว่าไอ้กรรมเลยนะนึกว่าเอยใช้กรรมให้มันเสร็จมีเสร็จแล้วเพราะว่าไอ้พี่คิดแบบนั้นก็กรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทํากรรมใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่นะเพราะฉะนั้นปรุงมากแล้วเกินวันวันหนึ่งนี่นะทำกรรมมากนั่งคิดนี่ก็กรรมใช่ไหมคิดเป็นกุศลนี่ก็กรรมแต่มีโทษไหมถ้าเป็นกุศลเป็นกรรมแต่ไม่มีโทษเป็นกรรมขาวให้พ้นเป็น สุกตัวกรรมเองนี่ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขแต่กรรมเป็นกรรมอันนี้เป็นอารัมมณปัจจัยของอุปาทานไหมเป็นเป็นนั้นถ้าไม่รอบรู้กุศ ล, ลกรรมอันนี้ว่ากุศลเหล่านี้ก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะกรรมอันนี้นี่แหละจะแปรสภาพมาเล่นงานเสร็จแล้ววันหลังมานะโอ้ยธรรมะธรมโมกเรียนมาตังค์เยอะใช่ไหมทำไมบาปมาเล่นงานแต่เราอยู่คนเดียวอย่างนั้นทำไมจึงทุกแท้เนี่ยนะ ก็อาศัยอาศัยกุศลที่ทำเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้รําพึงรําพันเป็นปัจจัยให้โลภะเอยทิฏฐิเอยมานะเอยเนี่ยอาศัยกุศลอันนี้เป็นอารมณปัจจัยด้วยเพราะนักกุศลเหล่านี้ก็ต้องวิจัยด้วยว่าทําไมจิตจึงเป็นกุศลเมื่อฟังอย่างนี้ขึ้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเกิดจากโยนิโสเกิดจากกาลยานมิตรเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากอาหารเกิดจากอารมณ์หรือเกิดจากอะไรพวกนี้ต้องวิจัยทั้งหมดเลยนะ เพราะว่าถ้าไม่วิจัยกุศลเหล่านี้ก็จะเป็นอารมณปัจจัยของอุปาทานเป็นต้นอีกเพราะนั้นต่ อ, ตอหลังศรัทธาคําสอนอยู่อย่างหนึ่งก็บอกว่าพระองค์บอกว่าพูดให้เจริญกุศลนะเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ให้ยึดถือในกุศลนั้นอีกก็บอกว่าที่พระองค์อุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับแพเหมือนกับเรือพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมเหมือนเหมือนเหมือนให้ให้แบกแพ้นะ แต่สอนสอนธรรมะเหมือนให้กับนั่งแพ่เสร็จขึ้นฝั่งแล้วแม้แต่แพ่ก็ต้องต้องปล่ายกุศลแธรรมเหล่านี้เมื่อเจริญให้เพียงพอแล้วก็กุศลอันนี้ก็ต้องวางอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจริญความกุศลเจริญส ม, มาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยึดถือแม้แต่กุศลอันนั้นด้วยแต่ก็เจริญกุศลอีกให้มีธรรมมากๆขึ้นนั้นการเจริญกุศลประเภทออกจากวัตฏะเนี่ยนะทำกุศลเพื่อกุศล เจริญก no ุศลเพื่อกุศลการเจริญกุศลชั้นธรรมดาเพื่อกุศลชั้นสูงสูงต่อไปเรียกว่าอะไรในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมข้อสุดท้ายเรียกอะไรธรรมานุธรรมปฏิปฏิเพรผลการจะทําบุญของเราทําบุญเพื่อบุญอย่างเดียวนะเจริญสติเพื่อสติเจริญสติเพื่อสติเจริญสติเพื่อสติเจริญปัญญาเพื่อปัญญาเจริญปัญญาเพื่อสติเจริญสติเพื่อปัญญาเจริญปัญญาเพื่อศรัทธา เจริญศรัทธาเพื่อวิริยะเจริญสลับกันไปอย่างี้จนกว่ า, าธรรมะเหล่านี้จะปรับตัวสมดุลกันนะนะจึงจะเกิดการแทงตลอดอริยสัจไม่ได้เจริญเพื่ออย่างอื่นเลยนี่นะเจริญกุศลเพื่อกุศลนะโดยทั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่ออุปนิสัยอย่างเดียวไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อกรรมะปัจจัยนะที่เป็นนานขาคขณิกกรรไม่ได้เจริญกุศลเพื่อเอาผลอันนี้ แต่อาศัยกุศลอันนี้ขยับตัวให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าเป็นเหมือนกับขณะ ท, ที่กำลังทำกุศลเจริญกุศลแบบนี้ก็เหมือนกับบัวเนี่ยนะเรียกว่าบัวมันตอนแรกมันเป็นปุ่มเรื่อๆออกมาก่อนใช่ไหมจากจากต้นอะ่ะเสร็จแล้วก็งอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นเรื่อยๆนะมันดอกบัวก็นั้นหล่อเลี้ยงเรื่อยๆจนกว่าจะพล น, น้ำ อ, อันเจริญกุศลเนี่ยนะจนกว่าจะพล น, น้ำ แต่ท่านน้อมผลของกุศลไปอย่างอื่นอีกก็เหมือนกับบัวที่ไม่คิดจะออกแหละก็เป็นบัวที่ชอนชายเป็นเหมือนงูน้ำอะไรกันนี้ติดอยู่ในพันเรียกว่าพันต้นเองเลยรันนี่เป็นดอกบัวที่เกิดเพื่อพันต้นอย่างไงก็ไม่ใช่บัวบัวคือพุทธะอะไรแท้ๆเลยแต่ว่าบัวที่ถูกต้องก็ต้องเจริญกุศลเพื่อกุศลเพื่อที่จะพ้นออกจากน้ำและโคลนตมหมายถึงพ้นจากโลกนั่นแหละแล้วก็คิดดูนะว่าวันๆหนึ่งเนี่ยทํากรรมขนาดไหนนาะ กเช้าก่อนจะเข้านอนเนี่ยแล้วต่อไปนะก็บอกว่าชื่อว่าปุตุชนเพราะอาจว่าถูกโอคะต่างๆเป็นอันมากพัดพาไปถูกห้วงน้ําพัดพาไปเหมือนกันเถอะห้วงน้ําคือหนึ่งกามโมคะพาไปเนี่ยไงกามโมคะพาไปดูสีต่างๆกามโมคะพาไปฟังเสียงต่างๆทิดโโขคะพาไปดมกลิ่นต่างๆเนี่ยนะโอคะสีเนี่ยพาไปเพื่อที่จะ เห็นได้ยินรู้กลิน่นรับรูรสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถูกโอฆาสีเนี่ยพาไปตลอดเลยเอาเหรอกรรมใดที่ไม่มีโอฆาเป็นปัจจัยบ้างมีไหมโอฆามีอะไรนั่นหนึ่งโลภะกามโมฆะสองทิฏโขฆะสามพโวโฆะและอวิชโชฆะนั่นนะโอฆาสี่มันโลภะทิฐิและอวิชานั่นแหละโมหะนั่นแหละสามตัวนั่นแหละเป็นโอฆาเป็นเหมือนห่วงน้ําที่มันท่วมทับสัตว์เนี่ยนะมัน น้ำอันนี้มันมากขึ้นแล้วแต่จะลอยตุบปังตุ๊บปังกระโผลที่ไหนทีก็แล้วแต่เขาจะพาไปละแล้วแต่ห่วงน้ำอนะแต่ก็ก็สนุกดีนะเพราะเวลาลอยไปกับห่วงน้ำเนี่ยมันลอยมันเพลินดีเนาะก็ลอยไปละไปกระทบฝั่งทีหนึ่งเดือดร้อนใหม่ลอยไปอีกทีอันนี้กระแทกอันะีเหมือนกับอะไรนะที่มันลอยน้ําได้อ่ะคิดเอากันแล้วกัน เดี๋ยวว่าดูหมินเหียัดยามอีกไม่ได้สิ่งที่ลอยน้ําได้ชนิดหนึ่งอ่ะถ้าลมทิศหนึ่งพามาแบบไหลไปที่อื่นไปถ้าลมอีกทิศหนึ่งพาก็จะไหลไปที่อื่นงั้นแล้วแต่ลมจะพาไปบังนั้นถ้าลมเปลี่ยนทิศก็เปลี่ยนไปด้วยหันใจของเราก็จะเป็นลักษณะนั้นหั้นแอรห่วงน้ําคือโลภะทิฏฐิมานะก็จะพาไปเรื่อย เองหลวงวิจิตนะท่านบอกว่าชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่นต้องหวานสู้อมขมสู้กลืนผมชอบตรงนี้จริงๆเลยนะแล้วมันเห็นจริงว่าตัวใครตัวมันจริงๆนะพอพ้นจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะตัวใครตัวมันจริงแล้วก็ล่องเรืออยู่ในเรือน้อยนั่นแหละต้องสู้กับลมผสมคลื่นเนี่ครับต้องหวานสู้อมขมสู้กลืน ต้องทนฝืนสู้ไปได้ทุกๆุกวันยังมีเยอะเพลงนี้คุณหมอยุพินยังไปร้องที่อินเดียเลยขอร้องในประเทศไทยหน่อยได้ดีมยวร้องฟังหน่อยดิอันนัต่อไปอีกว่าเชื่อว่าปุถุชนเพราะอาจว่าเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นอันมากนี่เลย เดือดร้อนจริงๆเลยนะก็บอกว่านี้ไม่ต้องพารณามากเพราะเดือดอยู่แล้วต่อไปเชื่อว่าปุตุชนเพราะาว่าเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนต่างๆเป็นอันมากก็บอกทีแรกบอกเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนทั้งเร่าทั้งร้อนนะเนอะหรือว่าดิ้นเร่าเราไปเรื่อยเชื่อว่าปุตุชนพราะาว่ากำหนับติดใจสยบลุ่มหลงติดขัด ติดข้องพัวพันในการมาคุณห้าเป็นอันมากโอ้ใช้ศัพท์มานะกําหนัดติดใจสยบลุ่มหลงติดขัดขัดข้องพัวพันบอกว่าผูกพันไรอย่านะในกามคุณห้าเป็นอันมากก็คือก็มีวันไหนบ้างที่คิดพ้นการมาคุณห้าบ้างนึกอะไรสักอย่างหนึ่งให้พ้นการมาคุณห้า ไ, ไหมอะไรบ้าง คือบางบางครั้งนะะเวลาเราติดในรถนี่นะฮะบางครั้งบางอืมพอมีครับแต่น้อยมาก <laughs> น้อยมากครับเนยนั่นเป็นเนตขม่าอย่างหนึ่งนะครับเพรว่าเห็นต้องเห็นโทษใช่ไหมครับ จ, จ <สะ S 1> คิดอย่างนั้นนะ อ, ะอะ้แค่นี้พอนะสมมมันมันอิ่มแล้วนกอีกหน่อยก็ดีนะมันครับปุตุชนนี่จึงร่มร้องอ่ะนะ เชื่อว่าปุตุชนเพราะอาจว่าถูกนิวรห้าร้อยรัดไว้ปกคลุมปิดบังครอบงําไว้เป็นอันมากหรืออีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าปุตุชนเพราะอยู่ในหมู่ชนผู้มีธรรมจริยาต่ําธรรมจริยาแปลว่าความประพฤติ ธ, ธรรมเป็นผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมต่ํอย่างนั้นเถอะธรรมต่ําคืออะไรกายยตุเจริญวจีทุเจริญมโนทุจริญ น, นั่นแหละเรียกว่าธรรมต่ําอันปุตุชนก็ประพฤติ ธ, ธรรมต่ํา ผู้หันหลังให้กับอริยธรรมจํานวนมากคือนับไม่ถ้วนซึ่งหันหลังให้อริยธรรมนะผู้ที่หันหลังให้อริยธรรมเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยนับไม่หวาดไม่ไหวจริงๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปุตุชนเพราะอัจว่าชนนี้ถึงการนับว่าแยกอยู่ต่างหากคือไม่เกี่ยวข้องกับพระอริยเจ้าทั้งหลายต่างหากจากพระอริยเจ้าว่างั้นเถอะ ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลสุตตะเป็นต้นใช่ไหมพระริยเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลมีสุตตะมีจาฆะมีปัญญามีกุศลธรรมะปุตุชนก็กละเยื่องกับของท่านเลยนะ เ, น เ, นเพราะฉะนั้นสองบทว่าอัุตวะปุตตุชโนโอวั ง, งั้นก็บอกว่าในบรรดาปุตุชนสองจำพวกที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ได้ตรัสไว้พระพุทธเจ้านี่เป็นอาทิตย์จะพันธุนาวั ง, งั้นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์คือพูดถึง บ่งถึงความยิ่งใหญ่ความสว่างสวัยในในพระปัญญานะเจิญพรใออช่เพราะฉเผ่า พ, พันธุ์พระอาทิตย์ได้ตรัสไว้คืออันทะปุตุชนพวกหนึ่งกาลยานะปุตุชนพวกหนึ่งเพิ่งทราบว่า ก, กล่าวหมายถึงอันทะปุตุชนคือในความเป็นอันทะปุตุชนก็คืออะไร ไม่มีการเรียนการสอบถามการวินิจฉัยในขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปัจจายการโพธิปักธิยธรรมนั่นแหละเรียกว่าอันธาปุตุชนส่วนคำว่าอริยะก็หมายถึงใครบ้างนะก็คือพระปัจเจพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกแต่ว่าในที่นี้หมายถึงอะไร หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละก็คือไม่ได้รับเรียนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเลยเนี่ยนะก็คือไม่ได้สัดับฟังไม่ได้รับธรรมะของพระอริยเจ้าอย่างนั้นแหละเรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สัตดับไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้านั่นแหละ ก็บอกว่าผู้ที่ไม่เห็นพระอริย์นะมาฟังดูนะบอกเมื่อกี้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะใช่ไหมเรียกว่าอัสศตวาเสร็จแล้วอทัทสาวีไม่ได้เห็นพระอริยะตรงนี้เขาแปลว่าพบนะที่จริงบาลีจริงๆโดยสั์แปลว่าเห็นนะหรือพบกับเห็นนเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่แปลว่าตรงในฉบับใหม่แปลว่าพบใช่ไหมแต่บาลีใช้คํว า, า, าว่าอทัทธาวีไม่เห็นอะ่ะผู้ไม่เห็นเหมือนกันเถอะ ผู้ใดมีปกติไม่เห็นพระอริยเจ้าเหล่านั้นและไม่ยินดีในการเห็นผู้นั้นพึงทราบว่ามีปกติไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายนะอาทศาวีผู้ไม่ผู้มีปกติไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายและการเห็นนั้นแยกออกเป็นสองคือไม่เห็นด้วยตาและไม่เห็นด้วยญานะด้วยยานในสองอย่างนั้นการไม่เห็นด้วยยานท่านประสงค์เอาในที่นี้ ท่านอธิบายว่าจริงอยู่พระอริยะทั้งหลายถึงบุคคลจะเห็นด้วยมังสะจักสุใครมีตาเนืองงั้นเถอะหรือที่ประจักสุก็ยังไม่ชื่อว่าได้เห็นเพราะจักสุเหล่านั้นรับเอาเพียงอุปาทายรูปเห็นไหมใช่ไหมจะครูภาษาท่ารับแค่รูปารมณ์ซึ่งเป็นอุปาทายรูปเท่านั้นแหละไม่ใช่ยึดเอาความเป็นอริยะเป็นอารมณ์ไม่ได้ยึดเอาอาริยะคุณใช่ไหมยึดเอาแค่สีคือรูปารมณ์เป็นอารมณปัจจัย ไม่ใช่อริยะคุณเป็นอารามณปัจจัยและท่านบอกว่าอั น, นึ่งแม้สุนักบ้านสุนักจิ้งจอกเป็นต้นย่อมเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยจักสุขแต่ว่าสุนัขบ้านเป็นต้นเหล่านั้นจะเชื่อว่าได้เห็นพระอริยะทั้งหลายก็หาไม่ได้เห็นนะในข้อนี้มีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่งงางั้นอยู่กับพระอริยะแต่ไม่รู้จักพระอริยะ ก็บอกว่าดังได้สดับมาอุปถากของพระเถระผู้ขีนาศพผู้อยู่ในจิตจตาลดาบรรพศบวชเมื่อแก่อยู่มาวันหนึ่งเที่ยวไปบีฑาบาดกับพระเถระรับเอาบาดจีวรของพระเถระเดินตามหลังมาถามพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุคคลเช่นไรชื่อว่าอริยะพระเถระตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่รับเอาบาดและจีวรของพระเถระทําวัดปฏิบัติแม้เที่ยวไปกับพระอริยะก็ย่อมไม่รู้จักพระอริยะ ยอมว่างั้นพระอริยะทั้งหลายรู้ยากอย่างนี้ดังนี้เมื่อพระเถระพูดแม้อย่างนี้อยู่อุปถากนั้นก็ยังหารู้ไม่สรุปแล้วก็ไม่รู้ตามเดิมนั่นแหละติดตามมาตั้งนานแล้วนะยังไม่รู้เลยนะฉะนั้นการเห็นด้วยจักษุไม่ชื่อว่าการเห็นการเห็นด้วยญานะเท่านั้นชื่อว่าการเห็นเห็นด้วยยานด้วยปัญญานะจึงจะชื่อว่าการเห็นพระอริยะ สมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนวักรลิประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปลือยเน่านี้อันเธอเห็นแล้วดูก่อนวักรลิผู้ใดแลเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเหมืันนต้องเห็นธรรมะของท่านอะจึงจะชื่อว่าเห็นท่านเพราะฉะนั้นบุคคลแม้เห็นอยู่ซึ่งพระอริย์ด้วยจักสุแต่ไม่เห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นไม่มีตีระปริญญาเหมือนนเนี่ยที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วด้วยญาณะ และไม่บรรลุธรรมะที่พระอริยเจ้าบรรลุแล้วพึงทราบว่าไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยะและความเป็นพระอริยะอันบุคคล น, นั้นยังไม่เห็นคือยังไม่เห็นแม้กระทั่งหนทางเพื่อความเป็นอริยะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เห็นแม้ที่สุดหนทางเพื่อความเป็นอริยะนี้ก็ชื่อว่าไม่เห็นพระอริยะเห็นไห แล้วต่อไปก็บอกว่าอริยธรรมะสักระวิโทอะโกวิโท ก, ก็คือมาจากอะไรไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยมันโกวิศแปลว่าฉลาดนั่นแหละโกวิโทโกวิศนั่นแหละที่สำนวนไทยๆมาใช้คาว่าโกวิศทั้นเพราะก็คือแปลว่าฉลาดนั่นเองไม่ฉลาดในอริยธรรมอริยธรรมมันแยกเป็นอะไรบ้าง สติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาสสี่อิน 4, 5, รียห้าพละหา้าโพธชงเจดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นแหละเรียกว่าอริยธรรมนะไม่ฉลาดในอริยธรรมเนี่ยนะมีสติประธานเป็นต้นส่วนไม่มีวินัยเนี่ยนะอะวินีโตเนี่ยนะไม่ได้รับแนะนำเนี่ยนะจริ ง, รงๆแล้วก็คือไม่มีวินัยในธรรมะของพระอรียเจ้าออาทิตย์นี้คงไม่ทำ น, นะเนะ อาทิตย์นี้คงไม่ทันแล้วว่าเอ๊ะวินัยมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอาทิตย์หน้าต่อไปและเรื่องมันยาว